มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในประเทศจีนเป็นสำนักที่มีชื่อคนก็จะมาปฏิบัติกันมาขอปฏิบัติกับเจ้าสำนักมีคนหนึ่งบอกว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้พ้นทุกข์ เจ้าวาก็บอกว่างั้นก็ไปทำงานผ่าฟืนหาบน้ำทาความสะอาดในครัวช่วยงานต่างๆในวัดคนหนุ่มนี่ก็ไปทำได้อาทิตย์เดียวก็มาขอลาบอกว่าขอไปดีกว่าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเลยคนที่สองก็ มาด้วยความตั้งใจเหมือนกันมีความกระตือรือร้นอยากจะปฏิบัติทำให้พ้นทุกข์เจ้าวาก็ให้ไปผ่าฟื้นหับน้ําทําความสะอาดวัดก็ก็อดทนทําไปได้2อาทิตย์ก็เลิกด้วยความผิดหวังว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเออทำไมเจ้าวาถึงให้ไปผ่าฟื้นหับน้ําไปเก็บกวาดทําทความสะอาดบริเวณวัด ทำไมไม่ให้ไปไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาเจริญสมาธิก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะดูใจว่ า, าคนหนุ่มเหล่านี้นี่มีความตั้งใจจริงหรือเปล่ามีความเพียรมีความอดทนไหมเพราะว่าบางทีมาก็อยากอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าไม่มีความตั้งใจหรือว่าเจ้าสานักอาจจะ เห็นว่าพวกคนหนุ่มไฟแรงอันนี้ถ้ามีความกระตือรือร้นมากไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีความอยากมากจะมีความยากที่จะบรรลุธรรมใ้ความยากนี่แหละก็เป็นตัวสกัดกัน้นการปฏิบัติธรรมเป็นอุปสรรคก็ให้ไปผ่าฟืนหาบน้ำจะได้ลดความกระตือรือร้นลงไฟก็จะได้ค่อยๆบรเทา เ, าเบาบางไป ในสมัพุทธการก็มีเรื่องทำนองนี้เรียกว่าให้ไปเวลามีใครที่กระตือรือร้นที่จะมาฟังธรรมบางทีพระพุทธองค์ก็จะไม่รีบแสดงธรรมให้ทันทีจะผัดผ่อนอย่างพหิยะพาหิยะนี่เคยเล่ยให้ฟังเคยสําคัญตัวก็เป็นนักเป็นอรหันต์แต่ตอนหลังก็มารู้ตัวว่าไม่ใช่ไอ้ที่บําเป็นตะบนะน้นมันก็ ไม่ได้ช่วยให้เกิดปัญญาพ้นทุกเลยแล้วเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่ตัดสู้ได้ด้วยพระองค์เองภยยะก็ตามไปหาพระเจ้าที่เมืองสาวัตถีตามเรื่องก็ว่าเดินไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเช้าสายบ่ายเย็นกลงคืนก็ไม่ได้นอนเดินระยะทาง120โย์แต่มือง ไม่ได้หยุดเลยมาพบพระพุทธเจ้าขณะที่กําลังบินธบาะเช้าตรู่พายายาเข้าไปขอให้พระเจ้าแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็คงเห็นว่าพายายนั้นเพิ่งเดินทางมาใหม่ๆแล้วก็ขณะที่กายนี่เหนื่อยแต่ใจนี่ยังมีความกระตือรือร้นมากเกินไปนะความกระตือรือร้นเนี่ยรวมทั้งความเพียรมากๆนี่มึงทําให้ใจนี่ไม่สงบพอ ไม่สงบไม่นิ่งพอที่จะฟังแล้วก็ไข้ครควญธรรมะเพราะว่าการที่มีจะมีปัญญาเห็นธรรมบางครั้งก็ต้องอาศัยสภาวะจิตที่เอื้อที่สงบที่มีสติพระเจ้าก็ปฏิเสธไปภัยะก็ขออีกพระเจ้าก็ปฏิเสธเป็นครั้งที่2อภัยยะก็ขอเป็นครั้งที่สเพราะบอกว่าก็ อะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมของผู้เจ้า ก, ก็อาจจะไม่มีโอกาสผู้เจ้ากเ็เลยแสดงธรรมสั้นๆ Warrior, ว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็ writes writes kes, สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มรสได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแม้เมื่อมีจิตรู้ในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ทั้งในโลกนี้และในโลกนาแล้วเราก็ระหว่างโลกทั้งสองเมื่อ น, นั้นแหละก็ถึงที่สุดถึงทุกนั้นก็ตามไม่กี่ประโยชนอย่างนี้แหละพายะก็ตอนนั้นก็เรียกว่าสภาวะจิตก็เริ่มเข้าที่แล้วนะหลังจากที่ถูกปฏิเสธมาสองครั้งพอพระเจ้าแสดงธรรมสั้นๆก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีได้ชื่อเป็นเอตทัคคะที่บรรลุ ธ, ธรรมได้อย่างรวดเร็วโดวยถ้อยคําไม่กี่ประโยคนะภายะก็พอบรรลุ ธ, ธรรม ก็จะไปบวชอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าก็รีบไปหาบาปไปหาจีวรมาแต่พอออกจากผู้เจ้าไปไม่ทันไรก็โดนบัวขิดตายก็นับว่าภายักษ์เหตุผลที่พายักได้พูดได้อ้างกับผู้เจ้าว่าอยากจะผู้เจ้าแสดงธรรมในเวลานั้นทันทีเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนก็ก็เป็นจริงอันนี้ก็เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าใที่พระพุทธองค์ได้ทรง ปฏิเสธพยัถึงสองครั้งนี่ก็ก็เพราะว่าพยันตอนนั้นมีความตั้งใจมากองก็เลยผัดผ่อนทิ้งระยะไว้เพื่อให้ใจได้สงบลงอันนี้ก็ จ, จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าว่าในสำนักปฏิบัติธรรมที่ว่าซึ่งคงจะเป็นสำนักเซนเนี่ยก็ไล่ให้ลูกศิษย์นิ้ไปผาฟืนทำครัวหาบน้ำซะ ก, ก่อนเพื่อให้ใจได้สงบลง แล้วก็มีความพร้อมสำหรับการที่จะปฏิบัติธรรมก็ได้หรือว่าจริงๆจงเจ้าวาดก็เห็นว่าไอาการผ่าฟืนหาบน้ำนี่มันก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอยากจะมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรือก็ไปปฏิบัติธรรมซะเลยนะผ่าฟืนหาบน้ำอันนี้แหละก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าลูกศิษย์นั้นไม่เข้าใจเพราะคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้อง นั่งอยู่ในห้องหลับตาพอให้ไปทำงานเขาก็เลยผิดหวังบอกไปที่อื่นดีกว่าอันนี้ก็ก็เลยพลาโดโอกาสอันนี้มีคนที่3มมาคนที่3ามนี้ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรอกบอกว่าจะมาขอทำงานแลกคาวแลกน้ำเพราะว่าไม่มีที่ไปอยาจะขอพักอาศัยที่วัดนะจะทางาน แลกข้าวแหลกน้ำแล้วก็ที่พักด้วยไมไ่รู้เรื่องธรรมะอะไรเลยเจ้าสำนักก็ให้ไปผ่าฟืนถัาน้ำ้ำแต่ว่าก็ได้ได้บอกทิ้งท้ายไว้ว่าจะทำแล้วก็ตามก็ให้ทำด้วยความใส่ใจให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำชายหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นคนตั้งใจเป็นคนที่ว่าง่าย เจ้าวาให้ทำอะไรก็ทำก็ทำอย่างที่เจ้าว่าเจ้าสํานักได้ได้บอกว่าจะให้ทำให้ไปตักน้ำพาฟืนนะทำความสะอาดกว่าลานวัดก็ทำทุกอย่างแล้วก็ทำอย่างที่เจ้าว่าได้บอกคือทำอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นที่จริงเจ้าว่าก็แนะนำทุกคนนั่นแหละในเรื่องของการให้เอาใจใส่อยู่กับสิ่งนั้นนะแต่ว่าเนื่องจาก สคนแรกนี้ต้องการมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องการจะมาทํางานแล้วคิดว่าการทํางานนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ทําด้วยความจํายอมรอว่าเมื่อไหร่จะได้อาจารย์จะได้ให้เป็นนั่งปฏิบัติธรรมสักทีก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทําตามอย่างที่เจ้าสํานักว่าแต่ว่าคนที่สมนี่เขานื่องากเป็นคนซื่อนะก็ทําทุกอย่างที่เจ้าวาสังรวทั้งเอาใจไปใส่กับงานด้วย เพราะว่าทำได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเพราะว่าทำแล้วนี่ทำไปทำไปใจก็เป็นสมาธิมีสมาธิก็กำหนดทำแล้วก็ตามก็ใจก็กำหนดอยู่รู้อยู่กับสิ่งนั้นจากสมาธิก็นำไปสู่การมีสติจากมีสติก็นำไปสู่ปัญญารู้ธรรมคนที่สามนี่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ตั้งใจจะบรรลุธรรมแต่ว่าทำไปทำไปก็บรรลุธรรมได้ การบรรลุธรรมโดยที่แม่อยากไม่ได้ตั้งใจนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตลาดพิสดารหรือเป็นไปไม่ได้พระจุลปันธกะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพระจุลปันธกะนี้เป็นพระที่ปัญญาทึบให้ท่องจําอาถาสั้นๆก็ท่องไม่ได้จนถูกพี่ชายไล่ออกไปจากวัดจุลปันธกะก็เสียใจนั่งตาละห้อยอยู่ที่ ประตูวัดพระพุทธเจ้าเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเห็นว่าพระจุลปัญญาคนนี้มีอินทรีย์ที่จะเข้าใจธรรมะก็เลยหาวิธีง่ายๆให้พระจุลพัญญะเอาผ้าขาวผืนหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ลูบคลำผ้านี้ลูบไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดรูปไปก็พิจารณาบริกรมรมไปด้วยนะว่า ผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นแล้โชหารานังแล้โชหารานังสั้นๆค่ น, นี้ละพระจุลปัญญากรก็ทําตามก็ไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าสั่งก็ทำํำพอไม่งั้นก็ต้องออกจากวัดไปใจนี่ก็ยังพึงพอใจในเพศปรประชิตก็ลูบพรมผ้าเช็ดหน้ารูปไปรูปไปก็พิจารณาไปแล้โชหารานังแล้โชารานังเมื่อลูบไปรูปไปเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผ้าที่ขาว ก็เริ่มคลัมเริ่มมองในระหว่างนั่นเองพระจุลพันธกาก็ทําไปทําไปใจก็เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิเห็นผ้าซึ่งเคยขาวนี่มองคลัมก็ได้คิดขึ้นมาว่าจิตใจเราก็ไม่ต่างจากผ้าผืนนี้ที่คลัมนี่ก็เพราะกิเลสโลภะโทสะโมหะเข้ามาฉาบเข้ามาทา แต่ก่อนก็ขาวหรอกนะแต่ว่ามองคล้ำเพราะกิเลสก็เห็นโทษของกิเลสขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยโอ้มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษจากผ้าสีขาวที่คล้ำที่ลูกคล้ำอยู่กับมือเนี่ยมันก็สะท้อนเน้นถึงสภาวะจิตของตนเองเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติของจิตที่ว่าจิตนั้นเคยสะอาดแต่ว่ามา ดำคล้ำหรือว่าเศร้าหมองเพราะกินเลดด้วยอำนาจของสมาธิที่ตอนนั้นมีมีแก่กล้าเนี่ยพอได้คิดตรงนี้ขึ้นมามันก็สมาธิก็อบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมาด้วยก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ในพระจุละปัญาคนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการบรรลุธรรมอะไรใน ต, ตอนนั้นก็ทําอย่างที่พุะอาจารได้สอนแค่นั้นเองแต่ว่าทําแล้วก็บรรลุธรรมได้ในการบรรลุธรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ อยากจะพ้นทุกนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะบรรลุธรรมนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากที่จริงความอยากนั่นแหละที่จะเป็นอุปสรรคโดยซ้าของการเข้าใจธรรมะการปฏิบัติธรรมต้หากวางจิตวางใจไว้ดีพอดีพอดีทางสายกลางไม่ฟุง้งซ่านใจลอยแล้วก็ไม่กดข่มอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าทางสายกลางเนี่ย ก็นำไปสู่การบรรลุธรรมได้มันไม่เกี่ยวกัความอยากและความอยากก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ความอยากมันเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เข้าใจหรือเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเคยจัดเปรียบเทียบกับไก่ที่ฟักไข่ แม่ไก่ฟักไ ข, ข่เนี่ยไม่ว่าแม่ไก่อยากจะให้ไข่เนื้อฟักเป็นตัวหรือไม่ถ้าฟักได้ที่มันไข่มันก็ต้องออกมาเป็นตัวจนได้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากเหมือนกับเราลดน้ำต้นไม้ไม่ว่าเราจะอยากให้มันออกดอกหรือไม่ออกผลหรือไม่ถ้าลดทุกวันทุกวันมันก็ต้องออกดอกออกผลจนได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุแปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเรา ใ น, นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจให้ดีตรงตามเหตุตามปัจจัยมันก็เกิดผลอย่างชายหนึ่งคนที่สนี่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เครียดปฏิบัติธรรมด้ําก็ทํางานแต่ว่าใจอยู่กับงานมีสติเกิดเป็นสมาธิถึงปัจจัยมันพร้อมก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําแล้วก็ตามถ้าเราวางใจ ยังให้ดีก็คือมีสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้ทันในความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏไม่ว่ากายขึ้นหมาไม่ว่าใจคิดนึกก็รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอาการที่รู้อยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆก็ทําให้เห็นความจริงของธรรมชาติไปในที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องมานั่งหลับตาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องมาเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะอย่างเดียว ถ้าเดินจะกรมสร้างจังหวะทําด้วยความยาวหรือว่าปล่อยใจลอยวางใจไม่เป็นไม่เป็นทางสายกลางไม่อยู่บนทางสายกลางก็ไม่มีทางที่จะตรงสู่เป้าหมายได้ทางสายกลางความหมายหนึ่งก็คือทางที่เข้าสู่เป้าหมายทางไหนที่ไม่ไปสู่เป้าหมายอันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางนี่ให้เราเข้าใจนะว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราทําไม่ว่าอะไรก็ตาม อันนี้พูดทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงต้องเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นการไปลักขโมยไปจี้ป้นหรือว่าทําสิ่งผิดกฎหมายที่เป็น อ, อกุศลหมายถึงสภาสิ่งที่มันเป็นสัมมาอาชีวะหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษน่ยถ้าเราทําด้วยจิตที่มีสติใจใส่ลงไปในงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ในตัวเองอย่าไปคิดเหมือนสองคน ชายหนุ่มสองคนที่ว่าโอ้หาผ่าฟืาาา้นหาด้ำนี่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอาจากพุทธาก็บอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานก็มีหลายอย่างงานภายนอกงานภายในกรรมฐานคืองานภายในงานภายนอกถ้าละน้อมเข้ามาใส่ตัวนอกจากวางจิตวางใจใเป็นละน้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นแจ้งเข้าใจธรรมะได้ในสายพุทธกาลยังมีบางคนนะ บรรลุธรรมขนาที่เล่นกายกรรมอยู่บนเส้นเชือกเป็นการบรรลุธรรมที่ประหลาดมากอยู่บนเล่นกายกรรมอยู่เนี่ยแต่ว่าจิตเป็นสมาธิมากบรรลุธรรมข้างบนน่ะบนนั้นแหละบนขณะที่กาลังไต่เชือกไม่ใช่ว่าต้องมาบรรลุธรรมขณะที่กาลังนั่งสมาธินะหรือว่ากาลังจงกรมอยู่ อย่างพระอานน์ก็เช่นเดียวกันพระอนน์นี่ก็เดินจงกรมทั้งวันบําเพ็ญเพียรทั้งวันเพราะว่าต้องการที่จะไปร่วมสังคยานาสังคยานาหลังจากที่พระเจ้าปริณีพา น, นีิต้องการพระอรหันต์ห้าร้อยแต่ว่าตอนนั้นได้พระอาหารหันต์มาเพียงแค่49่ขาดรูปหนึ่งก็ต้องกายพระอนนนี่เนี่ยเข้าไปร่วมเพราะว่าท่านเป็นพระหูสูตรทรงจําพระสูตรได้เยอะมาก ทรงจำคำสอนได้เยอะแต่าพาระนรนั้นตอนนั้นก็เป็นแค่ภรยาบุคคลนะชั้นต่ำยังไม่ได้ถึงปเป็นพระอรหันต์พระนนก็เลยต้องบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่นะทางตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจนค่ำก็ยังไม่ได้ผลแล้วก็เหนื่อยนะคืนนั่นแหละคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีการสังเกตก็บำเพ็ญเพียรเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ผลเหนื่อยก็ จะนั่งเอหลังอยู่ในท่าที่เรียกว่าจะนั่งก็ไม่ใช่นะจะนอนก็ไม่ใช่กลางๆ ก, ก็แล้วแล้วก็บรรลุธรรมตรงนั้นเลยนะคือใจที่ผ่อนคลายอยากจะพักใจที่ผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายคือไม่ตึงนะ่ะไม่ตึงผ่อนคลายจนทั้งจิตเข้าสู่ภาวะสมดุลก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้มีสิทธิ์เข้า ร, ร่วมสังคยานา ก็ทำให้เราได้รับทราบคำสองพระพุเจ้าที่พระนุได้ทรงจำม า, อ ย, าอย่างมากมายเราก็ได้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ให้เรื่องการวางจิตวางใจให้พอดีพอดีพอดีพอดีเลาอยู่บนทางสายกลางด้วยนะทางสายกลางนี่เคยพูดแล้วว่ามันไม่ได้หมายถึงความพอดีความพอดีหมายถึงว่าไม่มากไม่น้อยแต่ทางสายกลางนี่ มันหมายถึงที่ไม่ใช่ทางสุดตรง2ทางไม่กดคมแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านใจลอยบางทีทำความเพียนมากไปก็เรียกไม่พอดีก็เกิดปัญหาความเพียนมากไปความเพียนน้อยไปนี่ไม่ถูกเูรียใจเปรียบมันกับพิน3 ส, สายสายที่อยู่ตรงกลางไอ้สายตรงกลางนี่คือสายที่ไม่ตึงไม่ย่อนสายกลางกลางนี่เราก็เลยไปเข้าใจว่านั่นแหละ การที่ไม่ตึงไม่หย่อนคือทางสายกลาง อ, อันนั้นไม่ใช่มันคือความพอดีที่เขาเรียกว่าวิริยะสมรตตาความเพียรแต่พอดีอันนั้นเป็นคนละส่วนกับทางสายกลางเพราะนั้นก็ให้เราเข้าใจนะว่าอะไรคือการปฏิบัติธรรมแล้วการวางจิตวางใจอย่างไรถึงจะเรียกว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม